เรื่องตุกตาไม้หนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งถูกต้องกายกับตุกตาไมา้ท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตสังฆาทิเศหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบกล้องตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอบัตสังฆาทิเศษแต่ต้องอบัตทุกกฎวงเล็บเรื่องที่สิบ